ต่อไปนะครับต่อไปในมาวิกการและผลชนะสิขาบนนาทเดวพออีกข้อนี้โอะโหงานสัมมนาถบกันหน้าดูเรื่องกาแฟทกกันไหนปีไม่ลงมัาทีที่หลังก็รู้เบือถ้าไม่คุยเร่ะงน้นก็คุยเรื่องอื่นแทนจะไม่นใช้ให้จะนิชัยคุยกันกลางกันแล้วกันนะต่อไปเรื่องวัสดวิธีนะครับวิธีหน้านะ ร้อเจ็ดสิบห้าข้อที่สามสิบเจ็ดใช่ไหมสูรุ่งใจคืนเคี้ยวก็ดีพืงฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวของฉันในเวลาวิการเลยเที่ยงวันไปแล้วแม้่เดียวต้องอาบัดปลาจิตตนะครับนี้นะเที่ยงวันนะครับของเคี้ยวของฉันก็แน่แต่นั้นเรียกว่ายาวัคกากนนะี่อาหารทั้งหลายแหนนะครับ จะเป็นผูชนะไม่ใช่ผูชนะก็แล้วแต่นะนะครับอันนี้ไม่ได้เวลาไม่การคืออะไรเที่ยงวันเอาเที่ยงวันพระอาทิตยนะครับนาฬิกาไม่เอานะนาฬิกาเมือไทยก็จองเช่วงท่านาฬิกาจองก็ใช้ได้นะรัเอาเราแหลเป็นเกณประมาณนะเพราะนาฬิกาเราประเทศไม่เท่ากันใช่ไหมเขาต้องนาฬิกแต่ละประเทศนั้นนั้นถ้าจะเอาเราเอาแดดเป็นเกณนะครับแต่ได้ ได้ก็ได้ครานี้นเพราะว่าอย่งางภาคอีสานกับที่ภาคใต้เนี่ยมันต้องไม่ตรงกันแน่นเป๊ะไม่ตรงกันแน่อนอนใช่ไหมครับความที่ภาคอีสานมันต้องขึ้นก่อนแล้วใช่ไหมผมไมปว่าถ้าไอ้ที่มสว่างไว้ยัยยงแต่ว่าเรายังไม่ถึงได้สว่าง น, นะเพราะพอเราอยู่ก่อนไปครับเพราะนั่นผมว่าทาวรรณกรรมประเทศไทยอยู่ข้างใต้มนันแนจะสบายใจมากกว่านะใช่ไหม กว่ามันถึงเที่ยงที่นี่ใช่ไหมครับเข้าไปว่าสารก่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่มันดีนูนที่ภาคอีสานเน่มันเที่ยงแล้วมันตรงแล้วใช่ไหมครับแต่ภาคใต้ยังไม่ตรงนะเพราะว่าภาคทิศขึ้นตรงนู้นก่อนนะครับกว่ามันจะคล้อยมาตรงนี้นะเนี่ยเป็นนี้ครับครับนานกว่าเรชั่วโมงออานกว่าเรชั่วโมงนึ่ไหครับคือเราเที่ยงที่นี่แล้วไม่ถึงั่ได้อ๋อครับนั่งเครื่องบินไปเลยนะ อ๋อครับวันน้องชายแทได้รอ่ <c oughs> ไม่ได้ไมาช้ยแทนอันเดียวกันผมไม่ได้เลครับดูเงาแต่ผมไม่คล้อง ก, กันมากเลยเนาะดูเงาเข็ดติติดกันนั่นเนี่ยไม่ได้เรับอ๋ <c oughs> อข้างไปนะนี่มาแค่ลาผมแปลนะที่เวียงจังนั้นน่ะเขาก็ใช้เดียวกานประเทศไท ย, ยต น, ตนี่ครับเวลานตรงกันเลยเนาะครับยครับไม่เน มีเรื่องต้องระวังในประเทศไทยหนูอารมณ์ม ข, ขึ้นก่อนนะมันต้องคอยมากว่าประเทศไทยใช่ไหมนั่นค่ะให้ต้องดูดีกั น, กนเพราะถ้าเราไปประเทศอินเดียแล้วก็ต้างานุกรรประเทศอินเดียนะจองอนุการประเทศไทยเสร็จเลยไม่ได้สานทั้งทีเลครนะับว่ามันบักให้มองแล้วนี่มันยังไม่ถึงจองกาลางอะไรนันมันบาดสอง <c oughs> อนุการประเทศไทยเสร็จกูไม่ได้สานงานครับ การวิการนักปรนั่นนมันจะตองกับเราแดดเขาอครับไปอ่านอิดนะครับที่เรามาดูนะอันนี้นครับอันนี้แค่นี้นะกองเพียกผมช้ไมนุย์ต้องมันอย่างว่ามาทางไมันอย่างเรียนมาถ้าก็ถ้าก็ขี่นครับสตารสตากีนครับ โดยสมัยนั้นมนพระปัจเจ้าประทับอยู่หน้าพระบรนวารวิหารอันเป็นสถานที่พระราชาทานเหยื่อแก่แข้าแดงเขตพนังคลองนาชิกคือครั้งนั้นในเขตพนังคลองนาชิกคือมีมหโหระพบนยอดเขาพระสราระสาวคีรีได้ไปดูมหโหรสพ บ, บนยอดเขาเนี่ยเป็นเด็กใช่ไหมเห็นเขามีมหโหรสพก็อยากจะไปเที่ยวบ้างนะครับท่านทีเป็นพราแล้วนะ้นก็ชวนไปเที่ยวดูงานงมหโหระพุนะครับ ประชาชนเห็นพระสระสมุทคีจึงนิมนต์ให้ส่งน้ำให้ลูกไล้ของหอมให้ชนะหานและได้ถวายของเคี้ยวไปด้วยนะครับปาะชาชนเห น, น, นี้ก็ได้แก่ยพวกญาติพี่น้องของพระสะสมุทคีนะเห็นลูกหล่เข้ามาก็ดีใจนะครับก็พาไปอามแล้วเลยพาไปอาบน้ำแต่งสวยแต่งตัวนะลูกไล่ของหอมนะครับแล้วก็อาหารฉันเลยนะในเวลาวิกาเลยนะคมไม่รู้เรื่องนะ ก็ให้ฉันหันแล้วยังแถมให้เอาของเคี้ยวติดไม้ติดมือกับไปด้วยนะครับพระเสนาบดีว่าคีเนะี่ยก็นําของเคี้ยวไปถึงอารามแล้ว <c oughs> ได้กล่าวคำนี้กับพร ะ, ระเจ้าปคีว่าอาวุโสทั้งหลายนี่มลรักของเคี้ยวเป็นขบร้อยเถิะครับก็ยินใจเดียวไปเปล่ายนะครับพร ะ, ระเจ้าค <c oughs> ปคีถามว่าอาวุโสทั้งหลายพวกท่านได้ของเคี้ยวมาจากไหน พระเสด็จสัมมาวชิได้แจ้งเงืนนงแก่ระลิมบคีก็ล่าเรื่องฟังานทั้งหมดอาบุโศทั้งหลายก็ผู้ท่านชนะหายในเวลาวิการหรือเป็นเนอย่างนั้นอาบุโศทั้งหลายพระเฉลิมบุคีจึงแพ่งเท่าติดเียมบุรนานะครับนี่แข้งเท่ากันนะเฉลิมบุคีนะครับฉะนั้นพระสด็จสัมมาวชิได้ชนะหาในเวลาวิการเล่าและแจ้งเงินนังแก่ที่้งหลายมรดาผู้ภูมอสันดแต่ก็แพ่งเท่าติดเตียงบุตนานะครับก็ กาบขอเื่องนั้นพระเจา้าทรงสร้างพระทูปพรงสอบถามทรงติดเตียนแล้วก็มีศิษยกขาบนนี้ขึ้นมาที่นั่นมันดูไม่ต้องมันยากมันยากนะนะมาดูคำอธิบายนะครับนี่ข้าที่บานที่เดียวนะมือตัวเนี้ยอธิบายอย่างเกี่ยวกเรื่องของเที่ยวอะไมันดูในกางขาเลยก็ได้นะครับมันกลางขาเลยก็ไ หน้าสองร้อยะครับหน้าสองร้อยข้อที่เจ็นันอธิบายวิการโพชนะสขาบุถึงึณสร้างอธิบายในสขาบุที่เจ็ดต่อไปคาว่าวิกาเลแปลว่าผ่านการไปแล้วอธิบายว่าตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึงอดุลขึ้นเพราะฉะนั้นพิสุไดในนวาวายรัประเคนของสุขหรือดิบ น้ำตองแต่ลากไมห้หรือผลไม้เป็นต้นไปแล้วหมางล่างไม้ทหมายแหบลบ่ใช่ไหมลับประเคนของเคียวของฉันตัวนีเพื่อจะฉันเพราะับประเคนต้องอาบัททุกข์กอดลับประเคนเพื่อจะฉันนั้นเป็นทุกข์กอนเมื่อฉันต้องบัทไปที่ด้ยวยทุกข์คำกลืนนะครับนี่ท่านอธิบายเราไม่จังนะอาจารย์ที่บ า, นะบากบาถึงให้นครับอะไรว่าตามนี้กันนะ เหตุกิลประเภทอาบาัติค้าบนนี้เมื่อรเจ้าทรงประละักพระสุ ส, ตสัตว์และสาวกีนะครับอดิษฐานกันนะถ้าเที่ยงพอดีนะครับเที่ยงพอดีเป้เลยนะยังจว่าอยู่ในกาลนะครับเที่ยงพอดีเป้อยู่ในกาลนะต้ไ่เที่ยงนะครับถ้าหม้แต่ว่ามันฉันอะไรไม่ได้ใช่ไหมป้หรมันก็จะคอยอยแล้วช่มครับแต่น้าบอกยังสามารถดื่มได้นะดื่พวกนมพวกอะไรนี้ได้โดยเฉพาะรดดื่มได้อยู่ นะแต่ที่สุจผู้มีความรังเกีจก็ไม่พึงํามนะครับค <c oughs> ลิ้มใบม้บที่มันก็ยังทันนะถ้ารังเกียจก็ไม่ต้องทันก็ไม่ต้องดิง้งนเะราย่างนีน้และเพื่อรู้กําหนดการเวลาควรปักเสานาฬิการแดกเลยสมัยก่อนนะหรือเครื่องหมายการเวลาไว้นะครับอันหนึ่งพึงทำกิจภัยในาฬการาฬิกาเผื่อเวลาไม่นดะีครับอันนี้ สิกขาปณิวัฒน์ภาคเจ้าทรงฟังลัิสุทธิสัตวะสาวะคีมูลพิสุทธิสิทเจรูปในมืองราชพฤก์ทรงัรรยัติไว้แล้วเพราะเหตุแห่งการฉันอาหารในเวลาวิการสิกขาวันนี้เป็นสาธารณบรรยัตินะครับิสุทธินี้ก็มีนะอนัติการไม่เกี่ยวกับการใช้ฉันเองก็ต้องบัติเองติกาไปดีคือเป็นเวลาวิกาลนะเลยอะไรที่ยงนั้นเข้าใจสงสัยสะพันผิด จะฉันไปก็ต้องบำบัดทั้งนั้นนะครับเพราะเรารู้เลยว่าข้อนี้เป็ักเสบกายใช่ไหมเราจะรู้ไม่รู้ทํามันเลยเที่ยงลรกก็ต้องบำบัดทั้งนั้นนะครับผลรับประเคนหรือกลืนกินยามักการนี่เป็นต้นด้วยทำนองเห็อาหารก็ดีนี่ไงฉันนะ้ำปลาเนสต้าหาน้ํำผึ่งนี่นะหรือว่ายากระถ่มอมขึ้นมะขังป้อมครับที่นี่แบบอาหารนะครับในเวลาวิการหกินอาหารก็ดีอันนี้ต้องบบัดทุกคนนะครับ เป็นเวลาในการอยู่นะแต่สําคัญผิดว่าเป็นเวลาวิการหรืมความสงสัยอันนี้ก็ต้องบัดกรดเหมือนกันพอชนะข้าวเมื่อกี้เราเราได้ผ่านอะไรใช่ไหเข้าสุกขนมสดของแห้งปลาเนื้อมาจากอะไรบ้างเข้าสู่เมี่ยนธชาตินะครับเป็นเตน้าหน้าบไปแล้วทีนี้ส่วนของเคีย้ยลงมาเมีม่ยนอะไรบ้าง น, นะครับของเคียมีผขนมหมากน่าไม้ต่างๆ น, นะ ถ้านก็จะแบ่งเป็นของเคี้ยว10อย่างนะงเดี๋ยวางบอกว่า10นอกจากของเคี้ยวน้ำมันิของสัตวนนอกจากของสัตวนอกจานีของเคี้ยวอ๋อเขาไม่ไม่หมดครับนอกจากโภชนะ5อะนอกจากยา마กาลิสสตาร์กาลิสยาวัชชิวินครับนอกนากนของผลผลิตขยวครับ อันนี้จะบอกว่ามีเปี่ยนน้ำนเสร็จท่างร่าวนะคว่าจะมีแร่แร่คนเคี้ยวหัวคนเคี้ยวเหล่าคนเคี้ยวยอดคนเคี้ยวลาต้นคนเคี้ยวเปลือกคนเคี้ยวใบคนเคี้ยวดอกคนเคี้ยวผลคนเคี้ยวแม่คนเคี้ยวแป้งคนเคี้ยวยางเหนียวคณเคี้ยวทั้งสิบสองย่างนะครับคนเคี้วคนเคี้ยวนะบอกคณเคี้ยวหมดเลยนะครับ อันนี้นักชาติอันไหนที่ท่านระบุว่าปัญญาในพระบาลีเลยเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นญาเพราะท่านระบุมาแล้วนะถึงชาวโลกชาวบ้านจะกินเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันท่านระบุว่าปัญญามันก็ปัญญาจะยกตัวอย่างมาให้หมวดหนึ่งครก็เกียวกับคนเคี้ยวนี่ยนะอันนี้พูดถึงเพสันก่อนเราจะรู้ว่าถ้าไม่ใช่เพสันมันก็คือเป็นอาหารใช่ไหมแล้วถ้าพูดถึงล่าคุณเคี้ยวก่อนได้แก่อะไรบ้าง มันจะมีอะไรเนี่ยหัวผือมันหัวหนูเตี้หัวมันนอหัวมันแดงเหัวเผาเข้าสาหัวผักผมหั่นหัวมันใหญ่เป็นต้นนะหลายอย่างพูกหัวมันทหลายแหล่นี่ครับอันนี้ก็เป็นอาหารนะครับร่างเล่าแม้อย่างอื่นเห็นปานนี้พึ่งสร้างโดใดนี้แหละนะครับนี่นะส่วนเพศัพว์เหลาใดที่ตัดไว้ในพ้าบาดีว่าดูก่อนพิสุดนทั้งหลาย เราอนุยาตมูลเพภสัชคือขมิ้นขิงว่าน น, าาน้ำว่านปลอกอุตภิกขาแฝงแห้วหมูอันนี้เป็นยานะพิธงพรมัญญะไม่เลยนะครับถึงชาชาล็อกจะมากินเป็นอาหารกระนังแต่ใช่ไหมแต่มันก็เป็นยานั่นแหละเพราะพิธงพรมัญญะไแล้วพวกขมิ้นขิงขาจะาม่เลยนะครับเป็นยานะแต่ก็ต้องมีเหตุนะพิจารณาตามเหตุนะครับก่อนมูลเภสั์แม้ชิ้นอื่นใดประดามี ที่ไม่เสนอประโยชน์แก่ของคนเคี้ยวในของคนเคี้ยวที่ไม่เสนอประโยชน์แก่ของคนบริโภคในของคนบริโภคดังนี้เพศัชสารนั้นเป็นยาวัดชีวิตนะครับแม่ร่างเง่าอีกอีกก็เหมือนกันนะที่เขาแม่ทำเป็นอาหารใช่ไหมบอกแม่คุณประโยชนแก่ของคนเคี้ยวของคนบริโภคตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยาวัดชีวิตเหมือนกันอันนี้นะเพราะฉะนั้นล่างเง่าที่ใดที่หนึ่ง ประโยชน์แก่ขาชนิยะและประโยชน์แก่โทชนิยะของผู้มนุษย์นี่ไงอันนี้หมายอยู่ที่ไม่มีระบุในพระบาลีนะแล้วก็เขาก็ไปทําเป็นของเคี้ยวของฉันนะครับของผู้มนุษย์ดื่องหน้าเงอาหารตามปกติในชนบทนั้นๆรากเล่านั้นคุณสร้างว่าเป็นยาวักไก่นะครับนะรนี่แหละรากเ่าอะไรเท่าไหร่แน่ก็แล้วแต่อันนี้คุณลู้รากเม่า ไม่อย่างอื่นก็จะมีคําอธิบายอย่นี้นะครับอะไรนะมีรากหัวเง่ายอดลาต้นเปลือกใบดอกผลไม้แป้งย่างที่เหลือก็คำวิทยนเดียวกันนะครับนะที่เสโยาแกของคนเคียยนะคะ้ยวยาแก่กับทางที่ยาโคชี้ยาของผู้มนุษย์นะเดือแรก้อาหารตามปกติชนบทนั้นๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นยาวาาัคซีนพิษพมุกนะครับแต่ว่าถ้าชาวบ้านเขาไม่ได้กินเป็นอาหารเลย อันนั้นก็จะว่าเป็นยาได้ที่มสมบูรณ์เป็นยา้วที่ตรงเนี้ยที่ในดีการมีคำอธิบายเพิ่มนะมาในดีการที่เขาบอกว่าอะไรนะเรื่องหน้าแห่งอาหารตามปกติในชนบทนั้นนั้นเขาบอกว่าอหมายถึงพวกนะครับ เ, เรื่องหน้าแห่งการกระทําอาหา ร, ร ก, กิบนะ คือสำเร็จประโยชน์เป็นอาหารได้เลยโดยปกติของต้นนะครับโดยไม่ผสมกับยาว่าการิงยาอื่นนะครับ น, นี่นะมันก็มันเป็นต้นเป็นใบเป็นดอกแล้วแต่เขาสามารถกินเป็นอาหารได้เลยมาทําอะไรเป็นอาหารได้เลยโดยที่ไม่ผสมไม่ต้องไปผสมการอาหารอย่างอางื่นนะครับก็มาฉันเป็นอาหารได้อันนี้แหละที่ชื่อว่าอะไรนะเอ่อด้วยได้อาหารต่างปกตินะครับในช่วงนี้นะ เรานี่ยนะที่เราจะมาวินิฉัยกันนะครับว่าการแฟเป็นอย่างนี้ไหมเครวินิฉัยกันเยอะนะตรง น, นั้นนะครับอันนี้นะแต่นะคือบางคนข้าจะสื่อเอาแค่คำน่ะใส่กระถางก็ได้เอาในทีการี้ไม่เอานะเดิในในกระถาไม่เห็นบผสมผสมอะไรใช่ไหมใ น, ในกระถางบอกแค่ว่าเรื่องแร่าอาหารตามปกติในชนบทนั้นๆใช่ไหมครับ เนี่ยถามว่าแต่ถ้าเอาเอาตามดีการก็ต้องผสมเลยนะถ้าไม่ผสมอะไรเนี่ยก็มันก็ไม่เป็นไม่เป็นอาหารก็จะเป็นยานะครับเอาอ่างนี้ก่แล้วกันเอาว่าหารจมปะเทก่อนครับวัฒนเจรมปะเทก่อนเขากินเป็นอาหารไม่กินเป็นยาเขาสมัยนี้เป็นยาเป็นยาเป็นอาหารไม่ไหวครับแต่เป็นอาหารก็กินเป็นอาหารไม่อร่อยเขามาทเป็นของหวานแล้วเขาป้อนซึ่กอเป็นของหวาน อาหารเพื่อสุขภาพแต่เขากินจปญนยายครับแต่ละวันไม่ได้ใช้กันแต่ว่าเขาม่ได้กินเป็อาหารปากๆใช่ไครับเวลาถ้ากินก็ต้องผสมอะไรนะผ<ะ>สมน้ำตาลเข้าผสมน้ำตาลนะครับผนะสมกับน้ำตาลนะครับเขากินเป็นปากไม่ได้มื่งกินเป็นปากไม่ได้นะกญญาา็ไม่อันนี้ตามไม่ได้ใช้ได้ครูบาอาารไม่ได้ใช้ให้ ก็แม้แา่ว่าเป็นอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นยานยะเพราะว่าถ้าตาดนี่หนละมันต้องะสมกับอะไรอย่างอื่นเลยนะครับแต่เนื่องไปผปสมมันมันก็ประสมกับยาใช่ไหมคือน้ำตาลใช่ไหมครับถ้าเขาสมงข้อเป็นยานะครับอเพราะว่านี้ผมว่าต้องกินกับป่านโดย ป, ปกติของตอนเลยน ะ, น, ะ น, นี่นะครับนั่นต้องผสมหนึ่งพรอันนี้นะฮะเศรษฐีนะ ถ้าชาวไม่เกี่ยวกับสมผสมเลยเนะี่ยตังเงินชะตาก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมแะไม่นัโทนนะเมื่อก่อนผมก็ว่าไม่ได้หรอกว่าจะะระเขกิบัญญานี่ยยังไงงูช้ฟ้าเขียกมันลุดมนะันเท่าไยอ <c oughs> <c oughs> แต่พอเขายกตรงนี้มาให้ดูนการแล้วก็ได้ฉุดคิดนะอ้อเนี่ยนาิกาเขาวาอย่นี้นะว่าที่ไม่ได้ผสมนะไม่ไดผสมัอยาวว่าไก่หน คือใช้แบบป่าๆของต้นได้เลยนะก็มาถึงเนี่ยพอว่าหานจระเข้แล้วก็มาที่สำรอง้ยสำลองข้าฉันเป็นยานใละฉันเป็นอาหารครับสำลองอ เ, เป็นอาหารครับคือในสมัยเนี่ยเข้ า, ายาทุกอย่างมันเป็นอาหารได้หมดเลยใช่ไหมสมัยก่อนว่าหานจระเข้เขาไม่ได้มาทําเป็นไอ้ข้ะป๋องเป็นอ้ขนมหวานเขไม่มีใช่ไหมเ<อ>ขาเลยกินเป็นยานอย่างเดียวแต่สมัยนี่ไอ้ข้าป๋องหมดครับ แม้แต่แ <mister> ต <tumors> ่สำรองเนี wow ่ยแต่สำรองเป็นอาหารชาววังนาใช่ไหมตั้งแต่สมัยเนี่ยไม่รู้นะครับอาหารชาววังอร่อยด้วยนครับแต่มันก็มีสุขุเป็นญาถามว่าเขาฉเป่าเปล่าไหมคไม่ใ่เขาไม่ฉันอหาปลาเปล่าเขาผสมน้ตาอยู่ดีใช่ไหมครับผสมน้ำตาอย่ดีนะเมื่อผสมน้าตามันก็ม็ผสมยาครับมันก็ไม่เข้านะมันเข้าตรี้นะครับเข้าใจว่าเป็นยาได้ นี่ไม่ได้สายตาเอาตาอดีกรนี่ละครับก็ไม่ใช้สาำรองปัญญาแล้เอาไปมากาแฟก็จสัญญาณมีเขาบกว่ากาแฟก็ใส่คอฟฟี่ เ, เมลใช่ไห้ก็ใส่น้าตาลคอฟฟี่เมคืออะไรมันคือน้ำมันรีมทีมเทียม ค, คือน้มาได้ก็เปผ่างหารกลรมาิธีใช่ไหมและทำเป็นจางเป็นก้อนใช่ครับก็เป็นสองข้อว่าเนี่ยมันก็เป็นน้มัน กับตาแห้งใช่ไหมทุก่นเป็นมันสัมปะหนะครับน้ำสมปลงินครับสน้ำตาลก็กับตาแห้งออเดียนะกาแฟก็ยาถ้าไม่ได้ฉันก็ใส่ลงเไปถ้าใส่ลงก็ไปเน่เอาแนหละเป็นอาหาได้ไหมไม่ได้กาแฟไม่มีใครกินเปล่าๆเป็นอาหารอกมีใช่หมมันต้องใส่มาอย่างเป็นแบบะป็นสิ่กินได้าาข้าก็เลสงเป็นต้นยา อ๋อตัวมันหรือว่าตัวน้ามันนะครับถ้าน้ามันมันอยู่สแตนหานะครับน้มันสตหานะครับนี่นะแต่ถ้าตัวมันเนี่ยมันก็เป็นอาหารนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวมานหรือตน้มันแต่ขอมันมนก็น้ำมันครับขาเส็็เข้าจะน้ามันนะครับไม่ไดเอานั่นมาทำนะอันนี้น่าพิจัยเฉยเ้อแซมีกา ท่านจะไม่ถือเราก็ได้ผมก็ไปเนะมื่อก่อผมก็เถียงก็เมืม่อเถียมจะได้อะไรถ้าเขาบอกเอา้าท่านจะว่าอย่างนี้ก็แล้วแต่นะผมไม่เถียงด้วยแนหะแล้วเราได้อะไรขึ้นม า, <c oughs> นนะาครับก็น่าเถียงนะครับการในการานินรชชาไม่เป็นไรครับครับอะไรนะครับ ดีการวิมติมตรมมครับวิมติพิณญาพนีดีการนะครับผมไม่ได้ยกผมจดมาเฉยๆนะเนี่ยตอนนั้นน่ะผมก็ไปเถียงเข้าในงานสัมมนาในปีหนึ่งที่ว่าจักได้นะเถียงผมจะเอาเป็นอาหารให้ได้ไงเอ้าเขากินกันทั่วบ้านทั่วเมืองกาแฟงกินเป็นอาหารมีที่ไหนกินปัญญาไม่เห็น ใช่ไหมเขกินเป็นอาหารนั ح ح> ่นแหละใช่ไหมข้าวเขากินเป็นอาหารเนี่ยบอว่เป็นยาได้ยังไงเขาตียงตั้งนานนะแต่บริข้าวหลักหานนี่มาให้เนี่ยแล้วก็เลยได้จุดคิดนะครับขนาดโทรไปที่บริษัทเขานะเขาบอกมันเป็นอาหารเป็นยาบริษัทเ้าก็เป็นอาหารก็เป็นอาหารนี่นะแต่นี่ที่เขาเขาตีกันว่า มันไม่ได้กินปกเปล่าๆนะครับมันไม่ได้กินอาหารเปาๆมันต้องผสมอย่างอื่นนะเขาก็เลยไม่ได้จัดเป็นอาหารเลยทีเดียวนะครับอันนี้แล้วแต่นะผมไม่ได้ถือทางผมนะครับแล้วแต่ว่าจะว่างยังไงอันนี้ก็คือเอาหลักฐ า, าให้นะแล้วก็เท่าที่กูบาใจนี่นใช้ให้นะครับแต่ไม่ได้ยึดมันถือมันนะ <c oughs> ไม่ได้ยึดมันถือมั่นนะเอ๊ะตึงไม่ดังนะครับอันนี้ต้องร้อนค่อยเข้า แต่ก็ต้องมีเหตุนะคายะฉันคายะฉันกาแฟเปนยามาบนเรนไม่เขาก็ันกาแฟกับนครับเาจะไม่ฉันในรูปครอบครัวเออีตัวจีนเกียม์นเออครับช่นะครับดูหนังสือสอบไม่มั่วความเจความร่มไม่ได้เป็นโรคนะครับความร่้ไม่ได้เป็นโรคนะแต่ว่าใายถ้าใครจะถือว่าข้างหนักนะไม่อาดีการเอาตามภาษาอย่างเดีย อัตนตระกรถาไม่ได้พูดหรือว่าผสมไม่ผสมนะบอกจะว่าเรื่องหน้าจนแะห่งอาหารตามปกติในชะนบทนั้นนั้นก็การแฟงกิน อ, อาหารทุ่บ้างทั่วเมืองนี่อันเนี้ยจะวางความในตรกระถาให้ตรงนี้นะเขาหมามีการอันนั้นก็จะถือข้างหนักก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ว่ากันนะก็แล้วแต่เพราะว่าก็มีการถือกันแบบสองอย่างนะครับก็คุยอะไรก็ไม่เคยลงว่าทีแหละก็เลยไม่คุยแล้วเรื่องนี้นะ ผมว่าผู้แว่งเป็นการกที่ว่าถือเอาอย่างไรครับอ๋ออออเป็นยาเป็นยาเสตินะช่ใช่ครับมันมันไม่ได้เลยมันไม่มีความทากาที่ได้ดูใช่ใช่ครับอเดอเครับครับเป็นยาเสติจริงๆหนึ่งขณานี้ครับยังมีอไรที่พอด้วย มีดีทอกก็มีครับเนี่ยปยาเสพติดแต่มึงก็อ้าแล้วก็บอกว่ามันก็ช่วยอะไรบาอย่างได้จริงกาแฟมันก็ช่วยแก้โรคบางอย่างได้ปดหัวัวอะไรไม่รู้นะก็หาผมมาเยอแยะนะครับเอามาเปิดหผมดูนถ้าไม่กกาแฟนี่เวลาไม่ได้ฉันปวดหัวอืมคับน่ดงว่าติดแล้วเป็นยาเสพติดต้องดูด้วันะครับเอา แล้วพวชาอูลงชาอะได้แลช่ไหมเอเวลาขอพิจารณาวพิจารณาทอพิจารณาหรือพิจารณาปัญญาหรืนะครับขอข้พิจารณาปัญญารอะครับชาิตันไม่ได้ผไปนะผนั่งล้นเนี่ยข้าชารลมนามาให้นั่งรอนเดี่ยผมมือหัวหน้อยากจะอาเจียนอย่างนี้น่ผมก็ชาลมแก้อาเจียนมันก็ช่วยได้นะช่วยได้ส่วนหนึ่งนครับ มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใส่ใจเหตุให้ดีกันละกันนะอนีครับถามใจจะมีเหตนจริงไ้มครับอยครับโลโลภะโลเห็นไม่ได้ครับแล้วก็ความจริงนะแต่จริงก็มีโลภะเข้าไปด้วยใช่ไหมเพืนทีก็ไ้วันนั้นโยกถวายถวายชาครับถ้าจะให้ชูชูก็พ่วงเลยถ้าแรอรมณเนี่ยมันก็สุบเลือดไฟใช่ไหม อันนี้ข้มก็ไม่ชัดเจนว่ามันจะสุกหรไม่สุกกันน่เนี่ยวิจิตรหรือใครเมาติดหรือวิจิตรใช่ไหมเขามาติดตรงนี้เลยครับบางคนก็ได้บอกบางคบอกว่าไม่สุกผ่านตาเดียวงนก็บอกว่าสูงันสูงมันต้องร้อยก่าองศาไอ้พวกที่สามารถเก็บไว้หรือไม่แช่ตู้เย็นได้นะครับพวกนั้นนะมันร้อยกวองศานะครัอืมครับ ค้อเอาไอ้อน้ำออกก็ที่จะได้ใครเป็นผงแข็งไม่ใช่ไอเท่ไม่ได้เป็นผงเขาเป็นกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะ<อ>เป็นน้ำผลไม้ที่ไม่ได้เป็นผง ม, มันเม่ใช้ลิควิดเจ้าน่ะใช้ควิเ้นเขาเอาชาผง ม, มาทำใช่ไมไ อ, ท อ, อ, อเทมเข้าน้ำผลไม้สดมาทาเลยเ<อ>ขาบอกมันฆ่าเชื้อสองแบบค่าเชื้อแบบแรกที่ว่าเชื้อมันตายไม่หมดใช่ไหม มันต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเท่านั้นไม่งันมันจะบุ๋มมันน่าตีแบบหนึ่งเขาต้องใช้ความร้อนที่สูงมากจนค่าเชื้โรคนี้หมดใช่ไหมครับมันเลยสามารถเก็บไว้โดยไม่ต้องมแช่เย็นก็ได้นู่นมาคุมห้องตามปกติก็ได้ครับ น, นั่นความร้อนสูงมากนะนั่นแหละทิ้งระยะเวลาในการผ่านให้มันผ่านได้แค่ไหนสุกไม่สุกนะเมื่อก่อนว่ า, ขาเขาจะบอว่าสุกตลอดนะครับทีน่มึงเขหมอกเอ้ไม่สุกไม่รู้เป็นยังไงเน่ยถ้สาสั่งก็ไม่ต้องฉันก็แล้วกันะ บอกไอ้คนที่บอกว่าไม่สุขนะหาหลักฐานไม่ชัดเจนนีแบบนี้ด้หมครับแบบใครครคลื่นนอนปี๋อืครับุก้าเอรคอืครับจ่าขงาเชอโรคร่าหรือ่าน้ำันไม่รนนั่นนั่นก็ไม่สุใช่่ั้นน่เไม่สุกไม่ฉันได้ถ้าไม่สุกไม่ฉันได้นะเล่าดูให้ดีหรือพิเศนอะไรเขาเขียวบางอย่างจะมีคราับใช่ไหม เพราะของบริษัทเขาไม่ได้บอกกฎโปรอะไรทุกอย่างเนะครับบอก็ฉพาะบางอย่างนี้นะครับครับก็ดูตัะหนักนะถ้าสุดก็ไม่ต้องฉันเลยครับมันก็จะมีแบบหนึ่งที่ไม่สุดด้วยไฟที่ไม่สุดเนี่ยไอ้พวกที่เขาใส่สายกำบุนนะครับอันนั้นไม่สุดด้วยไฟหรือไม่สุดนะเขาเลยต้องใส่สายกํำบุนอันตรายครับขาเหมือนเดิมนะ ฉันไ <owner> ด <gas> ้แต่ว่าเจอสารกำบูดโอ้เลครับไปโดยอีกตัวต้องไม่ได้สุขภาพนะมันจะมีแค่พวกนั้นเอามื่ใช่มที่ขวดมันแคสารเด็ดกิรามิดนั่นแหละพุนั้ำน้ำไม่สุดด้ไฟนะแล้วใส่สารกำบูเลยนะหรือว่าน้ำส้มขวนอะไรแรกนะครับดีโดอะไรนะมันจะมีหลายยี่ห้อนะครับมีร้อนหวานจัดเลยนะนั่นใส่สารกำบูนะครับไม่สุดด้วยไฟแต่ว่าโอ้อันตรายอันตรายกว่าสุดด้วยไฟทุกท เดี๋ยวเลี๋ยวอืมอืมอาเพราะอันนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีน้ำผลไม้จริงนะครับก็ไปสังเคราะห์้ามาเฉยนะแต่งเป็นแต่งนวเฉยนะครับไม่ได้มีนักผลไม้จริงในอันน้นจถามหมอหมอไหนเขาบอกไม่มีจริงครับก็สังเคราะห์้ามา จิงรเวนี่คุณซ้อมตีอะไรต่ออะไรใช่มครับไม่มีครับไม่ไมตัวผลไม้ที่ไม่มีนะผลไม้จริงนะสังข้อเข้ามาเองผมทาง้อน้าหน้ามันมีแต่น้ำตาลนะน้ตาลตู้ปัมหายอน่างนี้นะครับนี้ต่อไปนะครับมีอะไรไหมครับอะไรได้ไหมนะแม่แม่ ไ, ไ, แได้แปว่าเพื่นำสมการทางชานแรก้ ก็เป็นนักันนาดสปรหน้าอันไม่ไม่สปรสุหเลยอ๋อคือมันเป็นน้ำตาเฉยครับพราน้ตามันละมาน้าหรือปนนักฟนหน้าด้างไม่เป็นไรครับทีแดงครับนั่นนายโยเข้ามาถามเรื่องกับทีแดงเลยเป็นยังไงครับอ๋อนต้องพิจารณาเป็นยาถ้าเป็นสปอนเซอร์เคือแรกใช่ไหม แก้อ่อเพลียอย่างนั้นนะครับต้องพิจาราเป็นยานะกรทียแดงวันนี้ต้องเป็นยาใช่ไหมครับมัเป็นยาแก้ไงยาแก้เหตุให้เจอตัวเองนะถ้าใช้ก็ฉันในการครับอย่นี้ก็เข็มกล่องในทันสีขอความเจริญรุ่งอรุณธมดดของพระสมณสุนตจ้าจงกระทุยมหวายุติธกรมทุกท่านเถิ Ah, uh, ah.